พระบัญญัติ 1,175 ก็ภิกษุณีใดบวชให้สิกขามานาสองรูปในหนึ่งปีต้องอบัตตลปายจิตตีเรื่องภิกษุณีหลายรูปจบ